อีกสิบสองวันนะก็จะมีงานใหญ่ประจําปีของวัดที่เป็นสาขาของหลวงพ่อคําเขียนนะก็คือธรรมญาตราจัดมาสิบห้าปีแล้วนะตั้งแต่ปีสี่สามนะหลวงพ่อท่านได้รเริ่มเอาไว้แล้วก็จัดทุกปีครั้งที่จะจัดในปีนี้หนึ่งถึงแปดธันวาก็เป็นครั้งที่สนะิบหกหลวงพ่อคําเขียนท่านริ้เริ่มธรรมญาตราก็เพื่อ กระตุ้นเตือนให้ผู้คนบนหลังเขานะได้ตื่นตัวเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จริงปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้ก็เป็นเรื่องที่รับรู้กันนะโดยทั่วไปพอสังเกตได้จากดินฝ้ากาศที่มันแปรปรวนน้ำที่เหลือน้อยลงดินที่มันขาดโะนะขาดปุ๋ยการเป็นดินที่แห้งเหลือาตายหลวงพ่อพอม เ, เขียนท่านบอกว่าเนี่ยแม่น้ำล้มป่วยแผ่นดินร้องไห้นะ ภูเขากำลังจะตายก็เลยอยากจะเป็นตัวแทนเป็นปากเสียงให้กับธรรมชาติให้ผู้คนได้ไม่เพียงแค่ตื่นตัวนะแต่ว่าขนขวายร่วมมือที่จะทำอะไรเพื่อให้มันดีขึ้นหรือว่าแย่น้อยลงปัญหาคนเห็นอันนี้ไม่ยากแต่ที่ทำกันน้อยคือการลุกขึ้นมาเพื่อช่วยทำให้มันดีขึ้นส่วนใหญ่ก็เรียกร้องรัฐบาล นะเรียกร้องจังหวัดให้ทำโน่นทำนี่เดี๋ยวนี้เวลาถนนพังสะพานทสุดชาวบ้านก็ไม่ค่อยได้ร่วมมือกันทำละเพ้นแต่ว่าจะมีะเงินเข้ามาหรือว่าทางอาบตอนะเข้ามารับผิดชอบนะการไม่ขนขวายทำอะไรด้วยตัวเองนะเรียกร้องให้คนอื่นมาทำให้เนี่ยนะ มันก็ทำให้สถานการณ์ก็เลวร้ายถ้ธรรมยาตราเนี่ยก็มีหน้าที่อันเนืน้อคือไม่ใช่แค่กระตุ้นเตือนให้เห็นปัญหาแต่ว่าให้ช่วยกันนะร่วมมือลง ม, ม, ม, มือทำกันก็ถือว่าการทำโครงการนี้ก็เป็นความรับผิดชอบอันหนึ่งนะของพระแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมที่อยู่วนะัดนหน้าที่ของเราไม่เพียงแต่รักษาป่าไม่ว่าจะเป็นป่าสุกโตป่าผู้หลงมหาวัน แต่ความรับผิดชอองเราควรจะแผ่กว้างขวาม อ, อกไปจนถึงธรรมชาติบนหลังเขานี้ด้วยนะปีนี้ก็จะเริ่มต้นเดินกันนะที่วัดภูเขาทองนะวันที่หนึ่งจุดสตาร์ทจุดสตาร์ทนี่ก็เปลี่ยนทุกปีนะแต่ว่าอ่าก็จะซ้ำๆกันหลายปีปีที่แล้วก็เริ่มต้นกันที่วัดภูเขาทองคราวนั้นจัดเพื่อบูชาคุณตอบแทนครูนะ บูชาครูตอบแทนคุณก็คือบูชาครูคือหลวงพ่อนั่นแหละแล้วก็ตอบแทนคุณธรรมชาติปีนี้เราก็จะเน้นเรื่องพลิกฟื้นไทยให้ชุ่มเย็นนะเพราะว่าตอนนี้มันน้ำก็น้อยลงนะฝนก็น้อยลงไม่ใช่แค่น้ำในดินหรือน้ำจากฟ้าที่มันน้อยลงนะน้ำในใจคนก็น้อยลงด้วยนะน้ำใจนะอากาศเย็นเพราะน้ำนะ ชีวิตสงบเย็นก็เพราะว่าน้ำใจนะนี่เราจะเริ่มต้นเดินนะที่วัดภูเขาทองแล้วก็เดินนะไปค้างแรมตามจุดต่างๆส่วนใหญ่เป็นวัดไป น, นอนวัดนะนอนกลางดินกิงกลางทรายเพราะว่าสาราวัดคงไม่พอทุกปีก็มีคนเดินประมาณสองร้อยเคยมีบางปีสูงหนึ่งห้าร้อยหกร้อยคนแต่ว่ามากไปละก็เลยพยายามจำกัดจำนวนคนด้วยการให้คนเนี่ย ที่เดินเนี่ยแบกสัมภาระไปเองยกเว้นคนที่อายุห้าสิบปีขึ้นไป อ, อนุญาตให้แบกสัมภาระอาเอาขึ้นรถได้นะแล้วก็งดข้าวเย็นนะขนาดมีกติกาเงื่อนไขแบบนี้คนก็ยังมากันเยอะนะโดยเฉพาะช่วงวันวันหยุดห้าหกเจ็ดนะปีนี้ห้าหกเจ็ดเนี่ยวันหยุดยาวสามวันก็เชื่อว่าคนก็จะมาเดินกันนะอาจจะสามเพิ่มเป็นสามหรือสี่ร้อยคนให้เป็นอย่างนี้ทุกปีนะ ปีแรกๆเนี่ยคนมาเดินแค่สามสิบคนนะสี่ิบคนเพราะไม่รู้ธรรมญา ต, ตาคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรตอนหลังก็เพราะมันมีประโยชน์นะนอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมก็ยังเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยนะได้มาเดินกลางแดดนะได้เรียนวิธีการสุดใจทํำยังไงกายร้อนแต่ใจไม่ร้อนทํายังไงเหนื่อยแต่กายนะแต่ว่าใจเบิกบานร้อนแต่กายใจสงบเย็นนะ ไม่ใช่ว่าอากาศร้อนกายร้อนใจก็ต้องร้อนด้วยไม่ใช่ว่ากายเหนื่อยใจก็ทุกข์ด้วยมันแยกกันได้นะกายเหนื่อยแต่ใจเบิกบานนะกายร้อนนะแต่ใจสงบเย็นทำได้ยังไงนะต้องมาลองดูนะก็ใช้สตินั่นแหละใช้สมาธินะสติสมาธินี่มันช่วยทำให้ใจเนี่ยเป็นอิสระจากกายหรือจากสิ่งรอบล้อมได้ในระดับหนึ่งทำยังไงใจสงบแม้ว่ารอบตัวมันจะวุ่นวายนะอันนี้ก็เป็น เป็นคําถามนะที่สําคัญนะสำหรับพวกเราซึ่งจะต้องกลับไปใช้ชีวิตในเมืองทํายังไงเวลาเจ็บเวลาป่วยแต่ใจไม่ทุกข์ป่วยกายใจไม่ป่วยอันนี้เป็นคําถามที่ต้องเราต้องเจอนะไม่ช้าก็เร็วแล้วก็ต้องตอบให้ได้นะจะหาคําตอบได้อย่างไรก็ธรรมญาตานั่นแหละนะมันพอจะให้คําตอบได้ไม่ใช่คําตอบด้วยการพูดการเทศการฟังนะแต่เกิดจากการปฏิบัติ หลายคนที่มาเดินธรมมยถ า, าก็พบว่าเออสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจนะมันไม่ได้อยู่ที่อาหารไม่ดีที่ที่พักนะที่พักแย่อาหารไม่ดีแต่ว่าใจสุขก็ได้นะฉะนั้นใครที่ต้องการที่จะเจริญสติในเงื่อนไขทีนะ่เข้มข้นนะท้าทายนะธรรมยาตาานี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะถ้าหลายคนที่มาเดินธรรมยถ า, าก็ได้ประโยชน์แบบนี้แหละนะได้ประโยชน์นอกจากได้เจอเพื่อน นะแล้วก็ได้เห็นอันซีนนะตามเส้นทางที่เดินผ่านนะปีนี้ก็มีอันซีนอยู่หลายจุดนะรวมรมทั้งช่วงห้าหกเจ็ดด้วยนอกจากอันซีนที่มันเกิดที่มันอยู่นอกตัวเรานะอันซีนที่อยู่ในใจเราเนี่ยอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันสําคัญยี่กว่าอันซีนข้างนอกนะอันซีนคือสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่ตันหนักแต่ว่ามันมีอยู่และมันมีคุณค่ามากคือศักยภาพความสามารถที่จะเป็นสุขได้แม้แต่จะร้อนแม้กายจะเหนื่อย นะแม้ทางแม้ทางจะไกลอันซีนที่ว่านี่คือความสุขที่มันอยู่แล้วในใจเราแต่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นไอ้ที่บอกว่าทุกทุกทุกนะเพราะว่าไม่ใชไ่ไม่ใช่เพราะว่าอะไรเลยนะแต่เป็นเพราะมองไม่เห็นความสุขที่มีอยู่ในใจเราต่างหากไม่ใช่ว่าไม่มีสุข สุขมันมีแต่มองไม่เห็นนะอันนี้ก็คืออันซีนนะที่มีคุณค่ามากและจะพบได้อย่างไรนะธรรมยาตานี่เป็นคำตอบได้ก็เชิญนะใครจะมานะจะมาร่วมเดินตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายหรือมาร่วมเดินวันสองวันหรือว่าห้าหกเจดสีห้าหกก็ได้เริ่มต้นที่วัดภูเขาทองอ่าแล้วก็อ่าเตรียมรับ